Ooh mm -hmm. นตกลงมาน้ำตาของพี่ร่วงหล่นน้ำเนือก็บาดท่วมทนเดิงล้นท้องไรท้องนาลำบากลำบนทุกทนเหมือนกันทวนนากินนอนกันบนหลังคาอาจ น, นิจาแสนทรมนา พี่นอนหนาวอวดร้า ว, วาทุกคืนทุกวันอย่าหลอกอย่าลว้วนอยากหวงใครมาเยอะกันนองอยู่เมืองกรุงสุขสันต์ส่วนพี่นั้นเฝ้าคอยแต่น้องได้โปรดเถิดนากลับมาซะ หมดแล้วเงินทองถ้าหากว่าพี่จะต้องมาเสียน้องพี่คงจะต้องเหมือนคนที่ตายทั้งเป็นฝนหมดจากฟ้าน้ำตาพี่ยังร่วงหล่นสงสารพี่บ้างสักคน ้คนที่มันเลือเ้อนน้ำท่วมนองทิ้งมีคงสิ้นใจตายใช้เวรหากใจน้องไม่โอนเอน็นคนเลื้อนยังคอยใจ น้ำตาพี่ยังร่วงหล่นสงสารพี่บ้างสักตนช่วยคนที่มันเลือเด่นน้ำท่วมนองทิ้งพี่คงสิ้นใจตายใช้เวรหากใจนอกไม่โอนเอ็นคนเลือดเด่นยังคอยเจ้ามา